กลับนิมนต์หลวงพ่อครับผมฟังทำกันก็เรามาพบกันเนื่องกยวกับธรรมบีนย ทำให้ไให้เราได้โอกาสพบกันตามการตามเวลาก็ใช่เราพบกันด้วยหลวงพ่อพหลวงตาอาจารย์ที่ไหนทำให้ไหนต่างหากที่ทำให้เรามาสู่ที่นี่ได้ก็เป็นอันเดียวกันหลายชีวิตก็มา เข้าเช่นเข้าสายธรมมาเพราะคนความดีในพุทธศาสนาก็ททำให้นายนำเราเข้ามาสู่อาวาสู่กรรมพิธีเพื่อหล่อหลอมชีวิต จ, จิตใจเราแล้วก็ทำให้เราเป็นคนคนเดียวกันด้วย แล้วความชั่วทำความดีทำกิตให้บริสุทธิ์เหมือนกันมีสติเหมือนกันทำลายความโลภความโกรธความหลงเหมือนกันมีเมตตากรุณาเหมือนกันมีการแห้ไปเหมือนกันก็เป็นคนเดียวกันเลยแค่เอื้อมมือการทำอย่างนี้ ไม่มีอะไรมาต่อรองพวกเราเลยไม่มีละทินิการเพศดัรอะไรต่างๆจากไหนมาก็คือมนุษย์ทั้งนั้นความเป็นมนุษย์ความเป็นอันเดียวกันนี่มันทำได้ไม่ใช่จัดดิรชานไม่ต้องมีการต่อรองล่องเรียนอะไรมาก มันก็อยู่กับเราแท้ๆเช่นเราโกรธเราก็เปลี่ยนมาคนไม่โกรธซะเอื้อมมือจริงๆวันทุกเราก็เปลี่ยนเป็นตัวไม่ทุกษ า, าก็เอื้อมมือจริงๆมันหลงก็รู้สึกตัวเปลี่ยนซะมันก็เอื้อมมือเพราะเราก็มีเครื่องมือจริงๆมีสติมีสจำชัญญะ มีความรู้สึกมีความเลือกได้อยู่กับตัวเราไม่ได้ไปหาซื้อขอมาจากไหนเลยเอื้อมือจริงๆธรรมะเนี่ยพระธรรมหนนี่มาเถอะมาจากไหนก็ตามมาร่วมกันอย่างนี้เป็นเพื่อนเป็นมิตรกันโพูดกันเรื่องนี้อยู่ด้วยกันแบบนี้ ข้อแบบข้อพิมพ์แบบนี้มันก็จะเกิดเป็นแบบฉบับไม่ใช่แบบแผนแบบฉบับไปเลยจะอยู่ชาติใดภาษาใดประเทศใดโลกอันไหนก็าตามคือคนเรามนุษย์ท้งนั้นนี่ป็นเป็นสิ่งที่ประเสริฐอัศจรรย์ทำไว่ไหนนี้ไม่ใช่เป็นเป็นลิทธิ ปฏิหารกับหลวงพอง่อหลวงตาองค์ใดเลยทำไม่ในต่างหากทาไม่ในต่างหากก็ เ, เป็นคนดีเราเัิกความชัว่วเราทำกิจให้บริสุดเราก็ไปไหนก็ไปได้อยู่ไหนก็อยู่ได้อะไรก็ได้เป็นอาชีพอะไรก็ได้ถ้าเรา มีสติมีสัมผััญญะพร้อมที่จะละความชั่วพร้อ ม, ม, มที่จะทำความดีพร้อมที่จะทํากิจให้บริสุทธิ์แม้ว่ามีสามทวารมีกายมีใจมีวาจาแล้วก็แล้วก็อยู่กับเราเอากายมาทำความดีเอาใจมาทำความดีเอากายมาพูดความดีใช่ได้ทันที มันพร้อมมันเชื่อได้เหมือนหลอดไฟเมื่อมันพร้อมก็เชื่อได้พร้อมใช่ไปใช่ที่ตรงไหนก็กายข้าใจ้าวาจาของเราเนี่ไม่เหมือนวัตถุสิ่งของกันอื่นเลยมันา่าจะมีปัญหาอะไรในโลกนี้ในตัวเหล่านี้ ไม่มีปัญหาเลยเลยแต่ยังมีวิธีเรื่อง น, นี้อย่างสมูนแบบในพระสูตรก็สอนไว้ที่เราสาธยายทำวัดเช้าทำวัดเยน็นในพระสูตรนั้นมีตำราเอามาเป็นพิธีกรรมถ้าใช้ได้งดงาม วิธีกา ร, รนักบวชเป็นภิกษุก็แบบนี้พิธีกรรมของอุบาจกบาจิกาเป็นแบบนี้เป็นแบบฉบับที่เป็นสถานที่ก็เป็นแบบนี้เป็นแบบฉบับให้เหมือนมิกซี่โรจทัศโรงแรมหรื อ, อโรงละครอะไรก็เป็นแบบนี้ เหมือนกับเราเข้ามาสู่แบบฉบับแบบพิมพ์ก็ออกมาเป็นรูปแบบนี้กันคำพูดแบบนี้การแบบนี้ว่าจะแบบนี้ขียาแบบนี้น้ำใจแบบนี้แล้วไม่ต้องประกาศไปปลิวอะไรไปไหนเราพวกเราก็เป็นเส้นเป็นสายมาแบบนี้กัน มันก็มีเช่นที่ไปไม่ถูกเหมือนกันะไปสู่นรกก็มีทางไปเหมือนกันไปสู่มรรคผลก็ ม, มีมีทางเหมือนกันเราเนี่เหมือนกันอยู่ยืนอยู่ทางสี่เพ่งทางสี่เพ่งทางหนึ่งไปอาบายภูมิคือสัตว์นรกเหดือดฉันเป็ดสุโลไก่ถ้าไปได้ถ้าอยากจะไปเอื้อมือเหมือนกัน ชิดชั่วทำชั่วพูดชั่วไปได้ทันทีไปสวรรค์ก็ไปได้เหมือนกันคนไปสวรรค์ได้ผลคือคนมีศีลนีพวกเราเนี่ยกำลังจะไปสวรรค์ได้ผลมีศีแลแั้วความชั่วทำบุญดีทาํนนาบนหน้าทาน า, านามัยศีลไม่ภาวนาไมา่ สาขาตลอดถึงเนกขมะเมื่อมีทานมีศีลมีภาวนาก็มีสวรรค์เมื่อมีสวรรค์ก็มีข้ามสวรรค์ไปอีกแต่ว่าเนกขมะอุบายออกบวชบวชทางใจไม่ต้องเอาอยู่สวรรค์ก็ไม่ต้องเอาสุขก็ไม่ต้องเอาทุกข์ก็ไม่ต้องเอาน้อสุขนือทุกข์จึงจะปลอดภยัย ได้ว่าเนคขมะนิสังสกถาเนคขมะตามรูปแบบก็มีพระสงฆ์ก็แบบนี้ไอชีก็แบบนี้วาสกบาชิกาก็แบบนี้แต่ว่าความหมายอยันเดียวคืนละความชั่วทำความดีดำริออกจากความชั่วมีความชั่วเท่าใดหนีหมดมีความดีเท่าใดน้อมมาเรียกว่าเนคขมะ ไปเป็นแบบฉบับเป็นสมมุปัญญาต์ถ้าเป็นปรมาจั จ, จะไม่ต้องเป็นสมมุติปัญญาต์อยู่ในตัวเราเลยในทางสี่แพง่งแล้วก็อยู่ในกายในวาจาในใจเอื้อมมือจริงจิงเราเห็นไหมแต่หวั่นเป็นไงอารุณเป็นไงนิพพานเป็นไง มันก็อยู่กับเราแทะ้ๆะะเรื่อมือท้าลบ ก, ก็ใจได้ร้ายเล่เราร้อนกระวนก็ไหวทะเลาะว่ า, า, ว า, าบเบียดเบียนกันเอาระดับเปรียบกันไม่ต้องรอตายแล้วก็ทุกทันทีทุกตัวเราไม่พอทุกคนอนื่นสองคนสามคนทุกไปหมดเลยถ้าอยากไปสวรรค์ก็ ทำบุญทำทานเร็นความชั่วแล้วความดีถ้าไปนิพพานก็เหนือเหนือดีเหนือชั่ววางเย็นมันอยู่ที่ใจเราไม่ใช่วัตถุสิ่งของอยู่ที่ใจใจก็เลยเป็นใหญ่ฝึกหัดจนเป็นใหญ่ใหญ่ละเรื่องสิ้นพบสิ้นชาติ ก็ยังมีอยู่ก็เรียกว่าไม่ใหญ่้ายังมียังเป็นอยู่ถือว่าไม่ใหญ่จนเหนือความมีความเป็นอะไรไปโน่นอิสระระเบนะระพึกหัดเอาจิตเหล่านี้ไม่ใช่คำพูดเป็นการฝึกหัดถ้าไม่พึกหัดมันก็ไม่เป็น เพราะมันมีปัจจัยหลายอย่างในโลกนะมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีใจมีลูกมีรสมีกลิ่นมีเสียงเป็นวัตถุภายในเป็นวัตถุภายนอกทําให้เกิดทวารทําให้เกิดประตูต่อกันเชื่อมกันตามันสัมผัสเป็นทวารที่เป็นรับประตูอาขันธุระเข้ามา หูได้ยินเสียงเป็นประตูอาการทุกข์เข้ามาหล่างนี้จะบุกลิ่นกายใจก็เหมือนกันตาหูก็จะบุกลิ่นกายใจมันก็มีอะไรที่รองรับถ้ามีอวิชชาความไม่รู้ไปรองรับมันมันก็ไปทางอื่นไปถ้ามีสติมีสัมผัมีวิชาเข้าไปรองรับก็เป็นความดีไป แม่เรายังสอนใส่พู้เจ้าผู้เจ้าก็แปลสภาพเป็นเป็นดอกไม้ทุบเทียนได้ในโลกเนี่ยมันทําได้เช่นความทุกข์มันก็เป็นลูกศรเฉียบแทงเราเราก็เปลี่ยนเป็นตัวไปทุกข์ก็เป็นดอกไม้ทุบเทียนไปถ้าเราเปลี่ยนได้นี้แม้จะมีอะไรก็าตามถ้าเปลี่ยนที่ การกรทำเราหัดตรงนี้โลกมันจะมีรถแบบไหนก็ตามจะมีนินทาเสินเฉินสูกทุกข์ได้เสียแล้วก็เปลี่ยนเป็นตัวไม่เป็นอะไรอะไรมันรู้เพราะมันเห็นถูกหลอกแล้วถูกหลอกอีกเคยทุกข์แล้วทุกข์อีกเคยหลงเคยทุกข์เคยรักเคยชัง แล้วอยู่ในโลกแบบนั้นพอเรามามีสติมันก็ลบออกลบออกลบออ ก, ก, ออกจนไม่มีค่าความทุกข์ไม่มีค่าความสุขไม่มีค่าความโกรธความรักความจังไม่มีค่านี่จะเป็นจีหย่าที่สมบูรณ์แบบแสดงออกต่อกันใช่เป็นพหิตาธรรมภายนอกสมมติเป็นหยาดใช่ภายนอกปรมัตาสิจจะ ใช่ภายในเรีวอัจฉติธรรมคือภายในมันมีภายนอกภายในภายนอกแสดงให้กันเห็นได้ภายในแสดงให้กันเห็นได้แต่ว่าเห็นด้วยเจ้าตัวเองคนอื่นจะไม่เห็นแต่ตัวเราเห็นก่อนรู้ก่อนเพราะเราเป็นเจ้าของเอื้อมมือของเราเหมือนโบราณท่านว่า แรงรูปเลื่อลาลุกลุยเรามองเห็นเป็นตัวแรงมันลุกลุยอาจจะเป็นเครื่องแต่งตัวอะไรต่างๆโลกไม่สวยหน้าตาไม่ดีแต่ว่าลุกลุยเสพสัต์ตายไกลสุยเขียดคุ้งเหม็นจาดเหม็นข่าวคือไม่ค่อยงามเท่าไหร่ บาจีก็เป็นเลยสีมูนีแต่กิจนั้นมุ่งสู่การกุศลไม่มีบาปอันนี้ภายนอกก็ภายในแล้วอัจฉัตาะธรรมแต่เมื่อมนุษย์เราเนี่ยเมื่อมีอัจฉัตาะธรรมเป็นภายในแล้วภายนอกก็งามไปเปนตัวน้องเขาถือเขานุ่งเหลืองห่มเหลืองใหฟ้าสวดมต์ แต่เมตตาให้ศีลให้พรมันก็เป็นภายนอกงามไปด้วยถ้างามแต่ภายนอกภายในไม่งามว่ามือถือศากปากเปล่าหรือศีลอกกันได้วิธีปฏิบัติของเรามันครอบจั ก, กรวาลเพราะเรามีสติมันก็ไปทั้งหมดแล้วเรามาฝึกตรงนี้มันก็ไปกันได้หมดเลยไม่ใช่แต่คุบน์นนท์แต่พวกนี้ เหมือนท่านสอนว่าเหมือนจับปูเสกตะดงไม่ใช่แบบนั้นพูดให้มันยากมันไม่ยากขนาดนั้นพอเราไม่จิตมันมันเป็นสายบังเหียนมันเป็นศูนย์รวมมันมาเป็นพวงมาเป็นพวงเลยความดีก็เกิดขึ้นเป็นพวงแล้วความชั่วก็เกิดเป็นพวงไปพฟ้อมๆกันไป เหมือนแสงสว่างเราจุดน้ำมันจุดตะเกียงแสงสว่างเกิดขึ้นขับความเมื่อเดอไปใส่น้ำมันน้ำมันก็หมดใส่ตะเกียงก็หมดไปพร้อมๆกันเพราะเรามีสติมันหมดอันที่มันไม่ใช่สติอันที่ไม่ใช่ทุก กันที่มันเป็นทุกข์มันหมดไปแล้วเกิดแสงสว่างขึ้นมานี่คืออัศจรรย์ธรรมะคำสอนของพระเจ้าเป็นอัศจรรย์ผู้ปฏิบัติโล่ย่อมลู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมที่ควรลู้ควรเห็นตามสมควรเจผู้ปฏิบัติเราจึงมีธรรมในอย่างนี้ไม่ต้อง ให้โคชนาเมื่อเราปฏิบัติธรรมเรายกมือสร้างจังหวะเรามีสติมันเป็นการโครชนาโคชนาไม่ใช่คนอื่นไม่ใช่รูปที่เขาขึ้นสไลด์ขึ้นป้ายตามถนนทางโคชนาจริงๆมันเป็นโคศกคือเอาทำไปไปฝากเอากุศลให้เห็นให้ละให้ลูก เมื่อเรามีสติต้องเห็นเห็นอะไรเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมมันเป็นการโฆษณาโฆษณาบอกผิดบอกถูกเหมือนกับเรามีฟังเทศพระพุทเจ้าเลยทีเดียวมันบอกผิดบอกถูกว่าผิดของกายความถูกของกายความผิดของเวทนาความถูกของเวทนาความผิดของจิตความถูกของจิต ความผิดของธรรมความถูกของธรรมมาให้เราดูเลยทีเดียวถ้าเรามีสตินะเหมือนตาเดินขึ้นมาก็เห็นอะไรแต่การเห็นของตามันก็ปลอดภัยจากขั้กแกงน้ำจากหัวแกงเหนยวไม่เข้าลรกเข้างเดินตามถนนทางไปได้ไปไหนก็ถึงไม่ผิด ถ้าเรามีตาการแสดงธรรมน่ยแสดงคือคือคือชี้แจงให้เห็นไม่ใช่คนอื่นเี่ยเห็นถ้าเราปฏิบัติภาวนาเนี่ยมันแสดงแสดงให้เราเห็นไม่กล้าเอาวันทุกเนี่ยมันแสดงให้เราเห็นห เ, เห็นทุกข์โอ้โทุกข์ตื่นแลว้ววะ เห็นความดับทุกข์โอ้ขอโจรข้าไปหาเหมือนเราเห็นงูเนี่ยโอ้โหจงอังมันชูโฟ ข, ขึ้นโอ้ทางไหนที่ไม่มีงูล่ะไปทางโน้นออกไปไหมหรือว่านั่งอยู่ตรงนั้นต้องออกไปหนึ 19, ่งเก้าพนไหมสองเก้าพนไหม ห้าเกเก้าเออพ้นแล้วพ้นแล้วงูไม่กัดเราเด้อหนีไปยนพ่นไม่อยู่ต้องสามอย่างการเห็นงูพิษมืงูไม่กัดเราก็เห็นเราเป็นเรื่องดีหนีออกไปอีกเป็นเรื่องหนึงพ่นแล้วเป็นเรื่องอัน น, นแล้วมันเอื้อมมือไหมเคยทําอย่างนี้ไหม มันหลงหรอเอื้อมมือไหมต้องต่อรองต้องร่องเรียนใครมีบุคคลที่หนึ่งที่สองมาช่วยเราหรือไม่มีเลยอัตหิอั ต, อตนโนราโถเตือนตอนแดงแก้ไขตนแดงมีสติไปเลยพร้อมที่สุดแล้วจึงต้องฝึกหัดกันไม่ใช่จะมาเอาเงินเอาทองเอาข้าวของมาไปรับของแขก ให้ใช่แบบนั้นให้บุญก็คือเอาได้บุญแล้วไปถานจักปีได้บุญแล้วเราตัวจัปปามังคลังขอสัปปมงคลจงเมตชัดเท่านก็เป็นคำว่าให้สินให้พรแต่เราต้องรับเอาถ้าให้เราไม่รับมันก็ไม่ได้เพราะอะไรมันเหมือนกับเราไปรับน้ําแก้วของเราที่รับน้ํามันเต็มน้ําอยู่แล้ว เราหน้าใหม่ใส่ไป้งก็ไม่เข้าไปการละความชั่วการทําความดีต้องดูตัวเองหอบอะไรมาเอาความกดมาด้วยเอาเล่ามาด้วยเอาบุหรี่มาด้วยเอาความทุกข์มาด้วยใครจะช่วยเราละ่ะถ้าเรามาช่วยตัวเองแล้วก็เพียงเป็นเพื่อนกันมีพิธีกรรมมีรูปแบบ ใครก็ดีใครก็เหมือนกันหอบไปติดมาเพราะไปจุ่มอะไรมาในรูป ก, ก็ดีในเวชนาก็ดีในสัญญาในสังขารในวิญญาณไปจุ่มอะไรมันติดมาเป็นแผลเป็นแป้วเป็นสีต่างๆวันทุกสนชีวิตเรา ไอเจ้าสุขสนมันชอบไปเอาความรักชอบไปเอาความชังชอบไปหาความสุขชอบไปหาความทุกข์ความทุกข์มันก็เอาความชังมันก็เอาความรักก็เอาวันติดไปเลยมันเกิดที่เราไม่พอเขาไปเบียดกันคนเดินมันก็ติดไปเมื่อเรามาดูล้วโอ้ยเรามีงานกาัน สนุกดีเมื่อไปปฏิบัติธรรมกุหลงปูเทียนเนี่ยเมื่อมีสติแล้วโอ้ยมันเห็นมนติดอะไรมาเยอะติดศยศาสตร์ติดศักดิ์สิติดลิทธิปฏิหารเพราะจะมาทำลายตนนัวเนี่โอ้ยมันก็ไม่ยอมมันยังเหนียวแน่น มันปีงมันกัดเราเราจะไปดึงมันออกดึงปากหนึ่งมันติดปากหนึง่งจะไปดึงความทุกข์ออกจะไปดึงเอาความสุขเข้ามามันไม่ใช่ขี้ยาแบบนั้นหลวงปู่เทียนพูดว่าเราเดึงปีงออกจากขาปีงมันกัดขาเราดูดเตือนเราถ้าไปดึงปากหนึง่งมันติดปิปากหนึง่งดึงอีกปากหนึง่งมันติดตปากหนึง่ง ไม่ต้องดึงเอาเอายาฉุนเอาน้ำมันกัใส่ยาฉุนบียบราดลงไปที่ปากปิงปิงก็หลุดออกทันทีเลยสมัยทุกวันนี้เขาก็ใช้รับยาน้ำยามียาทาหล่งตาไปอยู่์นิวยอร์กสหรัฐอ่ะ เห็นก้อนเห็นสวยๆอยู่ใ น, ในวัดปาอามเาเลยไปนั่งก้อนเห็นนั่งสร้างจังหวะบนก้อนเห็นพิกจุนีวิ่งเข้าไปไม่ได้ไม่ได้โนโนนเขาถือขวดยาไปฮะขวดน้ำยาอะไรทาทาขา ทาตัวทาขาทาไปตามตัวป้องกันเห็บเห็บควงอันตรายถ้ามากัดแล้วเป็นโรคพิการได้มันมันอันตรายมากกว่าเห็บหมูแต่ก่อนในบ้านเรามีเห็บหมูเยอะแยะประเทศสหรัฐเนี่ยมีควางเยอะมันก็มีเห็บควงเลยไม่ต้องไปใช่เลยใช้ยายาทา แล้วก็เห็บก็ไม่ขึ้นคนที่นั่นจะไปไหนเข้าไปจัดแ่มจัดลายก็ต้องมีน้ำยาเป็ดๆนี่ทาตัวเข้าไปวก็ชอบไปนอนป่านอนไปเที่ยวต่างๆวันเสาร์วันอาทิตย์ก็มีน้ำยาก็ลเลยปลอดภยัย น, นั่นเป็นรูปประธรรมแต่ ปบัติธรรมไหนไม่มีวัตถุที่หนึง่งที่สองเลยวันหลงก็รู้วันทุกก็รู้วันโุกก็รู้เข้าไปเลยตัวรู้ตัวเดียวตัวรู้จึกตัวตัวเดียวลองใช่กันดูพิสูจน์กันดูจะเป็นยังไงไม่ต้องไปเชื่อเรายกเบอสร้างใจว่าเราเดินจงกลมเพื่อให้เกิดความรู้ไม่ใช่รูปแบบนะ รูปแบบแม้มันแช่ไม่ได้แต่มันแช่ได้เมื่อเรามีความรู้สึกตัวถ้าเคลื่อนไหวไม่รู้สึกตัวแล้วก็ไม่สาเร็จประโยชน์เป็นภาษาเป็นรูปแบบเป็นภาษาถ้าเป็นภาษาพูดก็เป็นภาษาโนแกแค้วนุคุนทองเหมือนเราสวดมนต์ไหว้วพระถ้าเป็นภาษาโนกแก้นุคุนทองไปก็ไม่รู้อะไรเลยต้องเป็นภาษาธรรมด้วย เรายกมือให้รู้สึกตัวเดินจังกไม่หลู้สึกตัวถ้าไม่ลู้สึกตัวอย่าไปยกเอาข้างไ้ก่อนเหมือนตีขาะสมัยก่อนตีขาะให้สร้างจังหวะก็ก็แ้วบางทีไม่มีเสียงดังก็ก็ยกไปเคลื่นอนไหวไปต้องข้างไว้ก่อนตีแล้วจองคจังคอยเคลื่อนไหวไปอย่าง น, น, น, น, นั้นก็มีก็ก็ก ก็สิบจังหวะสิบสี่ครั้งให้หัดไปตามเสียงอันนี้ก็มีวันนี้เราไม่ต้องมาใช่เสียงมันเป็นภายนอกอีกถ้าจะไปติดก๊กก๊กอีกก็เอาลับนิมิตเอาหูเป็นนิมิตไปแล้วต้องเจตนาสร้างขึ้นมาให้มันรู้ให้มันรู้รู้เอารู้เอารู้เอารวง ร, รู้ไปไหนล่ะไม่ไปไหนวงรู้เนี่ยมันเป็นปรมาสตร ถ้ารูปแบบรู้สึกตัวเนี่ยไม่ใช่รูปแบบจำถ้ารูปแบบจำไม่เป็นผลมัดเป็นเป็นสมมุติใครก็จำได้สติความรู้ได้สามปัญญาคือความรู้ตัวจำมาแล้วกาถาอาความเฉลีศาสตร์การถาไม่ตกนรกก็เรียนมาตั้งแต่เป็นเด็กเห็นคนเกิดชาติพุกขาอันทังอธิกัรระยะนางกลมิเห็นคน เก็บปัจติทุกข์ปัจาติอนันติตาหันทางอลิกันละยานังกโลมเห็นคนตายมรณติดทุกข์อย่างที่เราสวนเรานี้เรียนตั้งแต่เป็นเด็กไปดูคนเกิดคนแก่คนเจ็บ ค, คนตายเพื่อไม่ตกโลกต้องมีเทวทูตสี่อย่างนี้ไปพูดในปากไม่ใช่ไปดูแต่ตาคนโบราณเราไปดู <c oughs> แล้วก็ได้มาไม่รู้เรื่องเลยเลยพอ ม, มาดูโอ้ยเห็นกับตาทันอนเห็นความเกิดเกิดอะไรเกิดสองครั้งเกิดทางรูปจากเหตุปัจจัยพ่อแม่ให้เกิดมาเกิดทางนามธรรมเป็นทุกข์เพราะูปเรียกว่ากายในกาย มีกายแล้วไม่พอแม้มีกายในกายมันเป็นภพชาติอยู่ในกายอกีกเป็นสุขเป็นทุกข์พวกกายเป็นสุขเป็นทุกข์พวกกายเรียกว่ากายในกายเห็นไหมมันเกิดอ่ะช า, ชาติปิุกขาว่ายังไงข้อกลงว่าอะไระคถาตัวนี้ <laughs> เราสวดบนพรอ้าวมันเกิดแล้ว กายเสวากายไม่ใช่สัตว์ปุ่คนัวตนเราเขาอันนี้ก็ไม่ใช่คำพูดมันเป็นความรู้สึกเมื่อรู้สึกเมืก็เห็นโอ้ยมันรู้มันเกิดทุกข์เพราะกายมันเกิดสุขเพราะกายอะไรที่มันเกิดสุขเกิดทุกข์เพราะกายหลายอยา่างอาการที่มันเกิดสุขกิดทุกข์เพราะกายมีมากเหลือเกินนับไม่ถ้วน เป็นความปวดความเมื่อยความหิวความร้อนความหนาวมันเป็นสูกบปนทุกข์ทกกายเห็นสักว่าได้ไหมมีสติน่ะมันเป็นอาการไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ภพใช่ใ ช, ใ ช, ชาติตรงนั้นเป็นอาการเขา่ายถ้าไม่มีอาการแบบนั้นก็ไม่ใช่ขายแล้วขอบคุณเขาที่เขารู้จักเก็บแต่ปวดรู้จักร้อนรู้จักหนาว ยงกัดมันเก็บรู้จักมันเก็บรู้จักอะไรต่างๆมันเป็นสัญญาณภัยของเขาถ้าใช่ไม่ถูกก็อันตรายเหมือนกันพระกรรมาฐานเนี่ยระวังนานัน่งหลังคลดหลังอนอนเป็นอวบพาดได้ต้องพอสงวนยืนเดินนั่งนอนแต่ว่าจะไปอ่อนไดกันไปนั่งนา น, น, าน ทนทนเท่าหน่อยความทนมันจะเข้มแข็งขึ้นความทนมันจะทำให้เรา อ, อนเดานะการนั่งงานการเดินนานมันทำให้เราเข้มแข็งเช่นเราเดินทางเป็นนักเดินทางตั้งแต่สมัยก่อนห้าสิบหกสิปีก่อนโน้ตไม่มีรถก็จะเดินทางไกลเป็นน้อยกิโลเนี่ยก็จะเดินไปมันเหนื่อยพอพักแล้วก่อนนั่งคุก นั้งขัดจังหแล้วก็นั่งยองย่อไม่มีเก้าอี้ไม่มีขอนไม่มีอะไรนั่งเหนื่อยข่แบบนั้นล่ะมีทางไปไม่รอดถ้านักเดินทางแบบนั้ น, นพอเมื่อยลก็นั่งปั๊บลงสันหัวเข่าพอลุกขึ้นเดินไม่ออกเลยป่นะนักเดินทางเขาไม่นั่ง เวลาพักก็ก็เดินเดินเข้าสองเข้ากลับไปกลับมาเดินอยู่ในร่มไม้เดินอยู่ในร่มไ ม, ม, ไม้ไม่ต้องไปนั่งย่องยอ่อนั่งแบบไห น, นพ่อกรมย่องยอ่อพระใายาแ น, <laughs> น, น, น่น่้ใหญ่ะพอเปรมนั่งย่องยอ่อเ็นังไนั่งให็บไหน่อเปนั่งมาดูพ่อกรมนั่งดู เออนะเนีเนี่ยเช็ดเลยแบบนี้เาเดินทางนั่งแบบนี้ถ้าเหนือนนั่งแบบนี้ไปไม่รอดเลยเราเดินย่างกรมเหมือนกันนะพอเหนื่อยปั๊บนั่งกันดีมันไม่แข็งแรงพอเหนื่อยปั๊บให้มันขอพักสัหน่อยเราเป็นเจ้าของกายไม่ใช่กายเป็นใหญ่เลยมันเหนื่อยเลยรู้จักตัวรู้จักตัวให้มันขอพักเออเดี๋ยวนะเราจะเดินสักหน่อยก่อน ขอพักอีกสองเที่ยงเดินช้าหน่อยเราจะเดินอยู่เนี่ยปันไปก็าลอโอ้ยสวจุจกว่ากายจากว่ากายไปเช็ดจันปุกคนโตตนโ ล, โล่ขอพอเปรมเคยใส่หน้าบอาใส่หน้างานนึ่งมาแล้วให้จ้งใดบัไหนไปแหกงานสองต่ปอปีกาาันหรเคยแหกงานที่สองต่อบอแหกงานได้สองได้ลวงหัว ง, งานจะคอยปวดไถ ไปไถมือรุ่นนี่มันเคืองแล้วงานสองมือหนึ่งไถสองขาบได้การไถธรรมดาได้สองงานถ้าเราเกินไปสักหน่อยไถสองขาบได้สางานเคยทำไหมเนี่ยจำไว้ก่อนเราทำแบบนี้าห้มันข้ามไป ก, ก่อนข้ามเวทนาไปก่อนอย่าให้เวทนาเป็นใหญ่อย่าให้สุขเป็นใหญ่่าให้ทุกข์เป็นใหญ่ เลยๆไปจักหน่อยก่อนเราค่อยไปจักหน่อยก่อนเหนือมันจักหน่อยก่อนถ้าเราเหนื่อยโอ้ยเป็นแล้วเป็นผู้เป็นแล้วเป็นผู้เหนื่อยเป็นผู้ไม่เหนื่อยเป็นผู้ขยันเป็นคนผู้ขี้เกียจไม่ใช่นักกรรมฐานแบบนั้นนักกรรมฐานต้องเหนือไปก่อนยกไปก่อนยกไปก่อน อย่าให้ความเหนื่อยมันใหญ่อย่าให้ความอะไรมันใหญ่เหนือไปก่อนให้มีสติไปก่อนมีสติไปก่อนจึงจะเป็นจักว่ากายสักว่ากายไม่ใช่จัดบุคคลตัวตนเราเขาเวทนาก็เหมือกันไป อ, อย่างนี้เวทนาจักว่าเวทนาไม่ใช่จัดบุคคลตัวตนเราเขาจึงจะมีผลเอื้อมมือเดียวถ้าเป็นกายไม่เอื้อมมือนะหลายที่ไหลก oh ็แพ้มันทุกที พอมันง่วงปับ๊บหลับตาปี่หาว่าปากก็เป็นผู้ง่วงไปแล้วขนขวยที่จะนอนจะหลับก็แล้วลองดูที่ให้เห็นให้รู้โอ้มันง่วงเลยเอาขี้มาง่วงนอนพอไหมถ้านอนไม่พอมันก็ไม่ดีต้องนอนให้พอห้าหกชั่วโมงเจ็ดชั่วโมงคนปฏิบัติธรรมต้องนอนให้พอต้องยืนให้พอต้องเดินให้พอต้องนั่งให้พอดีพอดี ปับอดิบทให้พอดีไม่ใช่ไม่กินเลยไม่ใช่หม่เดินเดิน<ๆ>นั่งนอนไม่ใช่แบบนั้นต้องนอนให้อิม่มต้องกินให้อิม่มถ้ามันจะนมันจะเพียนไปอดีไปกินยาง่วงนอนเอกเขาเพี้ยนไปแล้วไปยาไปกินยาแช่ง่วงเขาเพียนไปแล้วไม่ต้องไปเอาใจปัจจัยไปนอกหัดตัวเองนอนพับหลับพับดีเลย บางทีเราไม่หัดอาศัยให้มง่วงเราจงนอนถ้ามง่วงไม่นอนบางทีไปกินกาแฟกินอะไรไปเขาเกิดแมง่วงยาขยันย า, ายาหมายาหมาไปกินเราก็แมง่วงแล ว, วันใช่ปัจจัยเรียกว่าพระหีตาทำภายนอกภายนอกทำอะไรไม่แต่ภายนอกเขามหาภายในคืออจฉตาธรรมมามาเอาตัวเองเนี่ยสอนตัวเองแช่ตัวเอง เรียกว่าฝึกนะเนี่เรียกว่าฝึกทำไว้ในดีแล้วแต่เราไม่ฝึกมันก็ใช่ไม่ได้เลยเหมือนเราซื่อหัวชื่อขวายซื่อสร้างชื่อมา嘛คนวัวไม่ได้ฝึกม้าไม่ได้ฝึกมันก็ใช้งานไม่ได้ชีวิตของเรากายวาจารใจถ้าเราไม่ฝึกมันก็ใช่ไม่ได้ต้องฝึกขัดให้มันพายนอกพายใน ภายในเนี่ยตัวสติมันเป็นของภายในแม้จิตใจไม่มีรูปจับมันไม่ได้ไม่เหมือนร่างกายร่างกายมันจิบหายเพราะร้อนเพราะหนาวแต่ใจมันจิบหายเพราะอารมณ์ร้ายขวากายจึงต้องมีสติเข้าไปดูไ่สอนมันเมื่อสอนกายไม่เห็นกายก็เห็นจิตจิตมันเป็นไงมันคิดไอคิดอ่ะเวลามันกายมันความคิดมาเป็นใหญ่ในกายไหม ความคิดเป็นใหญ่ไหมกายกับใจเบียดเบียนกันไหมสามัคคีกันไหมเห็นด้วยกันไหมบางทีมันขัดแย้งกันนะความทุกข์ที่ใจกายเป็นทุกข์ด้วยความทุกข์ที่กายใจเป็นทุกข์ด้วยถ้าเรามีสติเนี่ยถ้าเรามีสติเนี่ยว่าจะเป็นกลางสติทาไมเป็นกลางเกิดความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายทั้งกายด้วยทั้งใจด้วย เดี๋ยวนี้ความเป็นธรรมระหว่างกายกับใจเราไม่ค่อยมีบางครบางาวก็กินมาได้นอนมาได้กายบีบเบียนใจใจบีบเบียนกายเพราะอะไรเพราะไม่ฝึกหัดถ้าฝึกหัดแล้วมันจะเป็นหนึ่งทันทีเลยเอตะทะคะเป็นหนึ่งเลยทีเดียวเอากายก็คืออะไรกาย ค, ค, คือความรู้สึกตัวเอาใจคืออะไรใจ ค, ค, คือความรู้สึกตัว ผมรู้สึกตัวเป็นอินทรีย์ตัวใหญ่ไม่ใช่ตาใช่หูไม่ใช่จมูกเล่นกายใจนะสติอินทรีย์เนี่ยใหญ่เหมือนหลวงตาพูดไว้แหะสติเหมือนนกอินทรีย์นี่วนะันธรรมเหมือนมแมลงนกอินทรีย์ต้องจับมแมลงได้ถ้ า, มาแมลงมันใหญ่กว่านกอินทรีย์มันก็เปลี่ยนไปได้ ถ้าเรายกเป้กให้มั น, นความม่วงเป็นที่วานธรรมเป็นมแมลงอันหนึ่งเลยไม่ให้ความไปใหญ่แก่สติให้มแมลงเป็นใหญ่มันก็ไม่ได้เราใช่ผิดประเภทใช่วัตถุผิดประเภทใช่มีดเอาไปฟันดินก็เสียความเป็นมีดใช่จอบไปฟันไม้มันก็เสียความเป็นจอบเรียกว่าไม่รู้จักสมมติบัญญัติ ป, ญญตปรมา จ, จัก ใช้กายใช่ใจเนี่ยไม่ถูกต้องใช่เวทนาไม่ถูกใช่ความม่วงเหงาหอนนอนความมรคะปฏิคะมานาทิติไม่ถูกต้องก็เลยเพี้ยนไปจนตายไปเลยทุกคนเรื่องนี้ไปเราจะต้องมาฝึกหัดกันเนี่ยใช่มันถูกเสียเวลามันมง่วงมีสติเป็นใหญ่ใหญ่กลัวความม่วงตรงกันข้ามบา่เด้ตื่นอยู่ตรงนั้นด้วยถ้าความม่วงมันชวนให้หลับผมรู้สึกตัวทำํำไมตื่น ตื่นขณะที่มันง่วงลองดูมันเป็นทุกข์ไม่ทุกข์ในขณะที่มันทุกข์มันหลงไม่หลงในขณะที่มันหลงมันโกรธไม่โกรธในขณะที่มันโกรธลองดูอชจรตรงนี้นะเรื้องมือจริงๆธรรมะเน่ยเพราะฉะนั้นเองจริงเหล่านี้เราทําได้เด็ดขาดเลยไม่ต้องอ้อนวอนเลยอยู่ในกามือเราวันวันนี้ก็ขึ้นสิบห้าค่ำเดือนแปดเป็นวันคเขาเป็นวันปจิโมกษ พรุนี้เป็นวันที่ฐานเขาวันสามอันมณากับพวกเราที่มาสายสายสายทำไม่ในทําให้เรามาพบกันไดแต่พรรษานี้หลวงตาจะไม่ได้อยู่นี่จะไปอยู่ที่สารยาพุทธมนทนอำเภอพุทธมนทนนคนปรปฐมมีญาติโยมเขาสร้างสํานัก ต้องทนลงแรงมาสงที่ไม่สำเร็จวันนี้มาสร้างที่ใหม่เขาอยากให้พวกเราไปอยู่ไปสอนเขาชักขันซานะ่งเขาสร้างด้วยเงินทองของเขาส่วนตัวเขาต้องการปฏิบัติทำแบบเราแน่หมดเงินเป็นยี่สิบล้านสร้างงานที่อันก่อนหมดเงินส5บห้าล้านไม่สำเร็จ เพไม่เอาไนเลยเขาไม่ชอบแบบกรรมฐานเขาอยู่แบบคุหนางแต่ว่าเอากรรมฐานไปให้ไปเคยไปแล้วที่นี่หลวงพว่อหลวงตาเคยไปอยู่ตอนฟักฟื้นออกแก่โรงบานเจชักเจโซมาอาศัยเจ้าของวัดแห่งนี้เขาด้วยดูแลเลี่ยงดีเลยไม่อุปการและคนต่อลองมากทีนี้ เขาทำมาแล้วสองปีแล้วไม่มีใครไปอยู่ไม่มีใครไปใช้มีบ้างมีครูมีนักเรียนมาปฏิบัติทำเป็นข้างบันข่าวไปจะไปอยู่ที่นั่นลองดูสักหน่อยชวนหลวงพ่อกลมไปด้วยเอาผู้เท่าไปด้วยวีนี้อาจารย์ประสานก็จะมาอยู่ให้ไม่ต้องกลัวอะไรที่นี่ มีพระดีดีมีอาจารย์ดีดีใครก็ดีทั้งนั้นที่นี่ไม่เป็นไรการเนี่ยมนที่ไปเทศน้่นเท็ดนี่อาจารย์ภะษานน้เป็นเจ้าตหลับดีแล้วเราได้พระอาจารย์ประสา น, ปนาาไาา ป, น เ, ปนเจ้าวาดเหมือนเหลือใหญ่ของพวกเราเราเสาาียได้ทุกกรณีเลย เวลานี้หลวงตาก็อายุมากแล้วสุขภาพก็จะออกจากอาจารย์ต้มได้หรือเปล่าเป็นคนดูแลอาจารย์โน้อาจารย์ตงแต่ว่าอาจารย์กระิดเป็นผู้เช็ด ข, ขี้เช็ดเดี่ยวให้จะไปอยู่ด้วยกันที่นั่นด้วยก็ก็พอจะมีที่เพื่งนคนงูด้วยอกำลัอาางอาศัยเพื่อนอยู่เวลานี้ยยาเม็ดเดียวก็ไม่รู้เลยก็เปิม มีคนหนึ่งจัดให้ายยังกินยาเป็นกอบอนยะู่นะทุกวันนะยังไม่มั่นใจว่าโรคที่มันพักอยู่เนี่ยมันพักหรือว่ามันหายไปก็ยังไม่รู้นะหมอยังนัดอยู่เพราะโรค ล, ล้าเจงๆนะสุขภาพถือว่าไม่ดีแล้วอายุก็มากแล้วจะใช้งานหลงตาเกินไปก็ไม่ค่อยดีให้พากันสั่งการสอนรับผิดชอบเอาเองสุโขโตนี้มาถึงมาถึงขนาดนี้แล้ว คงไม่ลำบากอะไรมากมายมาช่วยกันไปเลยแน่หลวงตาตายไปเขาไม่มีปัญหาอะไรเราเนาะว่าใครจะไปด้วยก็ดีนะเออวันนี้นะยังมีพระอีกป่าช้าบัดปั้นนาแจไม่มีพระไม่มีพระอยู่เขาก็เจอกญสนหาเราทำไมหลวงข้อทำไมหลวงข้อ หลวงพ่อตั้งแต่บวชมาี้ไม่เคยใช้ให้ใครสั่งให้ใครไปอยู่วัดโน้นวัด น, นี้ไม่เคยสั่งเลยไม่เคยสั่งไม่กล้าสั่งใครเพราะคำสั่งนี้ไม่ศักดิ์สิทธิ์ถ้าไปแล้วยมดีพระไม่ดีเสียหายถ้าพระดียมไม่ดีก็เสียหายทำกรรมทำตามคำสั่งของเรามันมัน ทั้งผิดทั้งถูกอยู่ในตัวมันไม่มีคาว่าถูกต้องเลยไม่ค้าสั่งให้ใครไปอยู่เอาอย่างนี้ดีกว่านะโยมเอาวันพระเนี่ยถ้าจะมาปฏิบัติธรรมนะให้พากันไปวัดไปกวดศาลาไปกวดกติเอาข้าวไปฉันไปกินกันที่วัดนั้นแล้วก็เดินจงกรมทำวัดเท่าทำวัดเย็นวันหนึ่งขึ้นหนึ่งกลับบา้านไม่ต้องมีพระก็ได้ ไม่ต้องให้พระก็เราไปทำบุญเองเอาข้าวไปกินเองไปจวดมาไรา้พระถ้ามีพระชูโกโตไปให้ก็ดีนะวันนี้ถ้ามีพระชัาากรูปไปสองลูปไปไปรับทักจินาทานตะบุนตะบาทชาวบ้านวันนี้เป็นวันพระถ้าไปได้ทุกวันนะวันพระก็ดีเหมือนกันนะใครไม่กล้าสั่งถ้าจะสั่งก็ไม่ใช่แล้ว ถ้าผู้ที่พอไปได้ก็มีหลายรูปอ่าข้องหวนบ้างก็ไปได้เคยไปมาแล้วจนก็ไปจากรูปสองรูปผู้ไปถ้าไปก็รถที่ติ๊กไปให้พอจะยกเดือยใครไปก็ได้ขับไปถ้าขับไปเองก็ดูแม่เหมาะเวลาขับรถไปขึ้นรถขับรถนั่งรถเนี่ยคนมากๆก็ไม่ค่อยดอีถ้าไปได้ก็ดีไปไปแล้วก็ จะถ้หาไปเฮ้ยจะไปสัญเช่าเสร็จแล้วก็มาก็ไล้ก <c oughs> ็ไปไดอ่อ่าทีนี้เราก็ดีอาจารย์พิสารจะมาอยู่เพราะั้นวันนี้ก็มีเป็นวันพระญาติโยมสมาทานฉินอ่ไม่ต้องไม่ต้องไหว้พระอีกนะไม่ต้องไหว้พระอีกประกาศฉินเลย